เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัทกรคนชอบเล่าวันนี้มีนิทานดีๆมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกแล้วนะครับลองฟังกันดูครับเล่ากันว่าภูเขาเหลาซานตั้งอยู่ใกล้ๆ ก, กับทะเลมีเซียนอยู่ที่โน่นตนหนึ่ง ผู้คนเรียกขานกันว่านักบวชลทัทธิเต๋าเหลาซานเล่ากันว่านักบวชผู้นี้มีวิชาอาคมที่คนธรรมดาทั่วไปไม่รู้จักมีพลังแห่งเทพเลยและสามารถดนบันดาลได้ทุกสิ่งเหาะเหินเดินอากาศก็ได้ทำให้เป็นที่ศรัทธาของผู้คนระแวกนั้นมากแล้วก็ในตำบลที่ห่างจากภูเขาเหลาซานหลายร้อยลี้มีชายผู้หนึ่งมีนามว่าหวาังชีหวังชีชอบวิชาอาคมอย่างมากตั้งแต่เด็ก เมื่อได้ยินว่านักบวชคนนี้รู้วิชาอาคมดีจึงรีบเดินทางออกจากบ้านไปหาเซียนที่ภูเขาเหลาซานหวังชีเดินทางไปถึงภูเขาเหลาซานก็ได้พบกับนักบวชระหว่างพูดคุยกันหวังชีก็รู้สึกว่านักบวชคนนี้มีความสามารถจึงได้ขอร้องให้รับตนเป็นลูกศิษย์เมื่อนักบวชพิจารณาตัวเขาและกล่าวว่าดูท่าทีเธอจะเป็นคนรักสบาย เกรงว่าจะทนความยากลำบากไม่ไหวแต่หวางชีก็ขอร้องครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดนักบวชก็ยอมรับเขาเป็นลูกศิษย์ตอนกลางคืนหวางชีมองแสงจันทร์นอกหน้าต่างนึกถึงเรื่องที่ตนจะได้เรียนวิชาอาคมก็ให้รู้สึกดีใจยังบอกไม่ถูกวันรุ่งขึ้นหวางชีวิ่งไปหาอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะสอนวิชาอาคมให้แต่อาจารย์กลับมอบขวานเล่มหนึ่งให้เขาให้เขาไปตัดไม้กับพวกรุ่นพี่ หวังชีรู้สึกไม่ดีผิดหวังลเล็กๆแต่ก็ต้องฟังคำสั่งบนภูเขานั้นมีแต่พุ่มไม้เตี้ยที่มีหนามและโขดหินตัดไม้จนถึงพระที่ตกดินมือและขาของหวังชีมีแต่รอยพุพองห่อเลือดหวังชีต้องขึ้นไปตัดไม้กับพวกรุ่นพี่อย่างนั้นเป็นเวลาแรมเดือนโดยที่ไม่มีการสอนวิชาอาคมให้กับเขาอย่างใดเลยเวลาก็ผ่านไปเร็วมากเหมือนกระพริบตามือและขาของหวังชี มีหนังด้านๆขึ้นมาเรื่อยๆเขาเริ่มรู้สึกว่าจะไม่ยอมอดรนทนความเหนื่อยยากในการตัดไม้ตัดย่ายอีกต่อไปจึงคิดจะกลับบ้านตอนกลางคืนหวังชีกับรุ่นพี่กลับถึงอารามที่พักก็พบว่าอาจารย์กำลังนั่งคุยกับแขกสองคนอย่างสนุกสนานออกรถออกชาติและก็ดื่มเหล้าด้วยเวลานี้ก็ดึกแล้วยังไม่ได้จุดเทียนในห้องก็เห็นอาจารย์หยิบกระดาษสีขาวขึ้นมาแผ่นหนึ่ง ตัดเป็นรูปวงกลมเหมือนกระจกติดไว้บนผนังจากนั้นกระดาษแผ่นนั้นก็ส่งแสงสว่างออกมาเหมือนกับพระจันทร์ทําให้ห้องนั้นสว่างสวยไปทั่วมีแขกท่านหนึ่งกล่าวขึ้นมาว่ากลางคืนที่สวยงามเช่นนี้มีเหล้าอร่อยขนาดนี้ควรให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันนะนักบวช จ, จึงเอาเหล้ากาลหนึงให้บรรดาลูกศิษย์เอาให้พวกเขาดื่มตับอําเภอใจหวังชีคิดในใจว่าเรามีคนมากกันขนาดนี้ เหล้ากาเล็กๆแค่นี้จะพอดื่มได้ยังไงพวกลูกศิษย์จึงเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างถือกาเหล้าทเทเหล้าใส่แก้วตนแต่ละคนแต่สิ่งที่แปลกมากก็คือไม่ว่าเท ย, ยังไงเหล้ากานั้นก็ยังคงมีเหล้าอยู่เต็มตลอดเวลาหวังชีรู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งและสักครู่แขกท่านหนึ่งก็กล่าวว่านักบวชแม้ว่าจะมีแสงจันทร์ส่องสว่างแต่ดื่มเหล้าเพียงอย่างเดียวก็ไม่สนุกเลยถ้าจะมีคนมารล่าลามเป็นเพื่อนก็จะเป็นเรื่องดีนะ นักบวชอาจารย์ของหวังชีก็ยิ้มและหยิบตะเกียบขึ้นมาข้างหนึ่งแตะไปที่กระดาษขาวสักครู่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสูงประมาณหนึ่งฟุตเดินออกมาจากพระจันทร์ที่เป็นกระดาษแต่พอยืนลงบนพื้นกลับสูงเหมือนคนปกติทั่วไปหุ่นดีผิวสวยเสื้อบางร้องเพลงได้ด้วยแถมยังเพาะอีกต่างหากพอร้องเพลงเสร็จผู้หญิงคนนี้กระโดดลอยตัวขึ้นไปบนโต๊ะ ขณะที่ทุกคนยังตกตะลึงกันอยู่เธอก็กลายเป็นตะเกยียบบนโต๊ะหวังชีตกตะลึงพึ่มเพิ่อที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เวลานั้นมีแขกอีกท่านหนึ่งกล่าวว่าข้าก็ดีใจมากแต่ถึงเวลากลับกันแล้วแหละจากนั้นนักบวชกับแขกทั้งสองคนก็โยกย้ายโต๊ะกินข้าวเข้าไปในพระจันทร์พระจันทร์ก็ค่อยๆมืดลงบรรดารุศิ์ก็รีบไปจุดเทียนเมื่อเทียนสว่างขึ้นมาเห็นอีกทีอาจารย์ก็นั่งอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น แขกขายตัวไปไหนไม่รู้มีแต่กับข้าวและเหล้าที่เหลืออยู่บนโต๊ะถือว่าเป็นภาพที่อัศจรรย์ใจแกหวังชีและลูกศิษย์อย่างมากจวบจนเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนก็ยังไม่เห็นอาจารย์สอนวิชาอาคมให้แม้แต่น้อยหวังชี อ, อดรนทนไม่ได้จึงไปหาอาจารย์หวังชีกล่าวว่าสิทธิ์มาจากทางไกลแม้ว่าจะเรียนรู้วิชาอายุยืนไม่ได้ก็ตามก็ขอให้อาจารย์สอนวิชาอื่นๆให้สักหน่อยคิดว่าเป็นการปลอบใจบ้าง ระหว่างพูดหวังชี้ก็เห็นอาจารย์ยิ้มแต่ไม่ตอบก็รู้สึกร้อนใจจึงกล่าวพร้อมกับแสดงท่าทางว่าตอนนี้ออกมาตั้งแต่เช้าและกลับดึกทุกวันก็ได้แต่ตัดไม้ดา้ยาผมไม่เคยลำบากขนาดนี้ที่บ้านเลยอาจารย์ได้ฟังก็ยิ้มแล้วก็กล่าวว่าเราพูดตั้งทันทีแรกแล้วว่าเธออะจะเป็นคนที่ทนทุกข์ไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเอาเป็นว่า เธอกลับบ้านตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเลยก่อนแล้วกันหวังชีได้ฟังอย่างนั้นก็วิงวอนขออาจารย์ว่าขอให้อาจารย์สอนความรู้ให้หน่อยเถอะอย่างน้อยๆผมก็จะได้ไม่มาเปล่าๆนักบวชจึงถามว่าเธออยากเรียนรู้อะไรล่ะหวังชีตอบว่าผมเห็นอาจารย์เดินผ่านผนังห้องได้ผมขอเรียนอันนี้ก็แล้วกันอาจารย์ก็ยิ้มแล้วก็ตอบตกลงแล้วให้หวังชีติดตามตัวเองไปจนถึงหน้ากำแพง อาจารย์สอนคาถาผ่านกำแพงให้หวังชีให้เขาท่องเองพอหวังชีท่องเสร็จอาจารย์ก็ชี้นิ้วมือไปที่กำแพงและตะโกนว่าเข้าไปเถอะแต่หวังชียืนเผชินหน้ากับกำแพงขาสั่นไม่กล้าเดินเข้าไปอาจารย์จึงตะโกนอีกครั้งว่าลองดูสิเข้าไปเถอะหวังชีเดินไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวก็หยุดลงอีกอาจารย์รู้สึกไม่ค่อยชอบใจและบอกว่าก้มหน้าลง และเดินลุยไปข้างหน้าเลยหวังชีจึงต้องบินไปข้างหน้าอย่างไม่สบายใจนักและผ่านกำแพงไปโดยไม่รู้สึกตัวหวังชีดีใจอย่างยิ่งรีบขอบคุณอาจารย์อาจารย์บอกว่ากลับบ้านแล้วต้องทำตัวเป็นคนซื่อสัตย์มิฉะนั้นวิชาอาคมจะหายไปหมดนะจาเอาไว้เมื่อหวังชีกลับถึงบ้านก็โอ้อวกับเมียว่าพบกับเซียนแล้วเรียนวิชาอาคมมาแล้วเดินผ่านกำแพงได้แล้วด้วย เมียไม่เชื่อบอกว่าไม่มีเรื่องแบบนี้ในโลกหรอกด้วยเหตุนี้หวังชีตึงท่องคาถาแล้ววิ่งเป็นยังกําแพงอย่างรวดเร็วโป๊กแต่แล้วก็ดียินเสียงหัวของหวังชีกระแทกกับกําแพงอย่างแรงเขาล้มหงายลงบนพื้นห้องเมียรีบเข้าไปประคองเห็นหน้าผากปูดโนหวังชีก้มหน้าลงอย่างเศร้าส้อยเมียรู้สึกโกรธและทั้งขำพูดว่าโลกนี้แม้จะมีวิชาอาคม แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนรู้สำเร็จภายใน 2-3 ถึงเดือนเช่นคุณนะหวังชีนั่งด้วยความเจ็บปวดที่หัวและก็หวนคิดถึงคืนนั้นที่ตัวเองเดินผ่านกำแพงได้จริงหรือไม่จริงชักสงสัยหรือนักบวชอาจารย์จะล้ อ, อ ก, กับตนเองเล่นจึงด่า น, นักบวชเสียยกใหญ่หลังจากนั้นหวังชีก็ยังคงเป็นคนที่ไม่มีวิชาความรู้เหมือนเดิมนิทานเรื่องนี้ก็จบลงครับจากที่ผมได้เล่ามาก็มีความเห็นว่า ความสําเร็จนั้นล้วนได้มาจากการอดทนเรียนรู้เมื่อประสบการณ์มีอย่างเหมาะสมกับเวลาที่สมควรความสําเร็จก็จะบังเกิดเองและเช่นกันในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกที่ได้มาง่ายๆโดยที่ไม่ตั้งใจจริงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการได้รับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ